ถ้ามีปัญหาประพฤติ ธ, ธรรมคือประพฤติอย่างไรก็ตอบได้ว่าประพฤติให้เป็นสมะจริยาดังกล่าวนั่นเองและเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้วคำว่าสมาจาริยาจะแปลว่าความประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอก็ได้ความประพฤติสมควรหรือเหมาะสมก็ได้ความประพฤติโดยสมาภาพก็ได้เป็นคำแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น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 อันเป็นเหตุผลอย่างธรรมดาสามัญที่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยสามัญสํานึกของทุกๆคนดังจะกล่าวต่อไปนี้ทุกๆคนเมื่อตากแดดก็ร้อนเมื่ออาบน้ําก็เย็นเมื่อได้รับความร้อนเย็นตามที่ต้องการก็เป็นสุขเมื่อได้รับเกินต้องการก็เป็นทุกขสิ่งที่ทําให้เป็นสุขหรือเป็นทุกขเหล่านี้เรียกว่าเหตุ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 ก็จะเห็นได้แล้วว่าหนึ่งกรรมมีคือมีความดีความชั่วในการทำของทุกๆคนสองกรรมวิบากมีคือมีผลดีของความดีมีผลชั่วของความชั่วสกรรมเป็นของผู้ทำคือใครทำกรรมอย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้น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 ในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่งเล่าว่าพระราชาแห่งรัฐหนึ่งมีอมตะอยู่สี่คนเป็นผู้แสดงลัทธิต่างๆแก่พระราชาอมาต์คนที่หนึ่งแสดงลัทธิว่าผลทุกอย่างไม่มีเหตุอมาต์คนที่สองแสดงลัทธิว่าพระอิสวรหรือพระเป็นเจ้าสร้างอมาต์คนที่สามแสดงลัทธิว่าทุกๆอย่างเป็นเพราะบุพกรรมคือกรรมในปางก่อน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 ทอดพระเนตรเห็นท่านชีปะขาวกำลังนั่งสนใจอยู่กับหนังว่านอนจึงตรัสถามชีปะขาวก็ทูลตอบว่าวานอนเนี่ยมีอุปการะแก่อัตมามากช่วยนำน้ำมาให้บ้างกวาที่อยู่บ้างทำการปฏิบัติให้ต่างๆ่าอัตมาจะไปไหนก็ขึ้นหลังว่านอนนี้ไปแต่คราวหนึ่งอัตมาเกิดมีจิตใจซามจึงกินเนื้อของว่านอนนั้นนำหนังมาตากให้แห้ง ใช้นุ่งห่มตลอดถึงปูนั่งนอนเพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะาแก่ตมามากฝ่ายอมมาทั้งสี่ได้ยินดังนั้นก็พ า, ากันกล่าวเย้ยหยันว่าตาชีปะขาวเนี่ยเป็นคนอักตันยูทรยศต่อมิตรทำปานาติบาตฝ่ายชีปะขาวจึงกล่าวโต้อมมาดคนที่หนึ่งซึ่งถือลัทธิทุกๆุกอย่างไม่มีเหตุว่าเมื่อผลทุกๆอย่างไม่มีเหตุ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 ให้ตัวเราเองทำพูดคิดแต่ในทางที่ถูกก่ให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่านั้นอย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นเครื่องตัดรอนคุณประโยชน์มาทำให้นอนรอโชคลาภดังมีเรื่องเล่าเป็นคดีไว้ว่ามีชายสองคนไปหาหมอดูหมอทำนายทายคนหนึ่งว่าจะได้เวตฉชัดทำนายอีกคนหนึ่งว่าจะลำบาก ชายคนที่ได้รับทานายจะได้สวเวตฉัดก็ดีใจนั่งนอนรอไม่ทำมาหากินอะไรในที่สุดก็สิ้นทรัพย์สมบัติไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาถที่ปากกลางทุ่งมีพระธุดงเดินผ่านมาพบเข้ามีจิตสงสารจึงเอากรดไปปักให้ชายผู้นั้นก็สิ้นใจในกรดของพระธุดงก็ได้สวเวตฉัดเหมือนกันเพราะคาว่าสเวตฉัดแปลว่าร่มขาวกรดของพระทุดง ก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่งส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับคำทํานายว่าจะลาบากเกิดความกลัวลาบากจึงตั้งหน้าขวนขวายภาคเพียรธรามาหากินเก็บออมทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆมาจึงมีหลักฐานเป็นสุขสบายขึ้นโดยลำดับแต่ก็ลาบากมาก่อนเป็นอันมากเรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่าหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือทากรรมปัจจุบันนี่แหละ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 เมื่ออยากได้ขึ้นมาก็ลักของเขาเมื่อทำได้สำเร็จดังนี้ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจว่าทำดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาทาร้ายตัวเรามาลักของเราถ้าใครมาทำเขา้าเราก็ต้องว่าเขาไม่ดีถึงเราจะไปยั่วให้เขาโกรธเมื่อเขาโกรธขึ้นมาทำร้ายร่างกายของเราก็ยังว่าเขาม่ดีอยู่นั่นเองการกระทาอย่างเดียวกันจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรได้ เหมือนอย่างการทำร้ายร่างกายการลักทรัพย์เมื่อเราทำแก่เขาได้ก็เป็นดีแต่ถ้าเขาทำแก่เราเป็นไม่ดีจะเป็นดังนี้หาถูกต้องไหมเพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่ยุติธรรมแต่การลำเอียงเข้ากับตนเองข้อนี้แหละเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเป็นอันมากอย่างประกอบกรรมชั่วเพื่อประโยชน์แกตนเองหรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตน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 ก็มักจะชี้แจงให้รู้ให้เข้าใจถ้าคิดตั้งใจฟังคำชี้แจงของท่านไม่ตั้งป้อมดื้อดึงเสก่อนแล้วก็คงจะได้ความกระจางในคำแนะนำของท่านและจะได้ความซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านการหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุมีผล น, นี้เป็นวิธีแก้ความลำเอียงเข้ากับตนเองที่เป็นเหตุให้ทาอะไรตามใจตนเองโดยส่วนเดียว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 ทำให้มีศักดิ์ต่ำต้อยน้อยหน้าความไม่ริษยาทำให้มีศักดิ์สูงใหญ่ความไม่เพื่อแผ่เจอเอเือจานทำให้มีโภพคสมบัติน้อยความเผื่อแผ่เจือจานทำให้มีโภพคสมบัติมากความแข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านทำให้เกิดในสกุลต่ำความไม่แข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านมีความอ่อนน้อมคาระวะนับถือผู้ที่ควรอ่อนน้อมนับถือ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 การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวเกีกับการเวลาเป็นสำคัญการกระทำทุกๆอย่างที่ให้ผลนั้นต้องเกี่ยวเกีกับการเวลาทั้งนั้นเช่นการปลูกต้นไม้มีผลก็มิใช่ว่าต้นไม้นั้นจะให้ผลทันทีต้องรอจนต้นไม้เจริญเติบโตและถึงฤดู ก, การให้ผลจึงจะให้ผลตามชนิดการเรียนหนังสือก็มิใช่ว่าจะเรียนให้สอบล่ได้ภายในวันเดียวต้องเรียนเรื่อยไป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 ก็สุดแต่สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องการให้ผลของกรรมแม้ในเรื่องกรรมให้ผลท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์4อย่างคือหนึ่งคติ 2. อันตภาพ 3. กาลสมัยและ4การประกอบกรรม ประการที่หนึ่งคติคือที่ไปสแสดงในปัจจุบันคือไปทุกๆุกแห่งจะไปเที่ยวไปพักอาศัยชั่วคราวหรือไปอยู่ประจำการก็ตามคนที่ทำดีมาแล้วถ้าไปในที่ที่ไม่ดีความดีที่ทำไว้ก็อาจจะยังไม่ให้ผลเหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนมัธยมหกมาแล้วจากต่างจังหวัดเรียกว่าทำความดีมาแล้วถึงชั้นนั้นแลวเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ แต่อยู่ในหอพักที่ไม่ดีเมื่อควรจะไปโรงเรียนก็ไม่ไปแต่ไปทะเลทรายเสียที่อื่นอย่างนี้เรียกว่ามีกติที่ไปไม่ดีความดีเท่าที่ทำไว้คือที่เรียนมาจนจบมัธยมหกในต่างจังหวัดก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิทยฐ า, านะขึ้นต่อไปส่วนนักเรียนที่เรียนมาไม่สู้ดีไม่จบถึงชั้นไหนแต่เกิดความตั้งใจดีไปพักอาศัยอยู่ในที่ดี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 เพราะเครื่องบันทอนต่างๆนั้นมีเป็นอันมากกล่าวโดวยเฉพาะในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่างๆในที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโดยรอบร่างกายมากมายหลายชนิดเมื่อร่างกายมีกําลังต้านทานเชื้อโรคเพียงพอก็ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใดเชื้อโรคก็ได้ช่องเมื่อนั้นฉันใดก็ดี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 แต่ในการละสมัยที่บกคร่องมีผู้ปกครองไม่ดีมีหมู่ชนไม่ดีกรรมดีที่ตนทาไว้ก็ไม่มีโอกาสให้ผลกรรมชั่วกลับมีโอกาสให้ผลเพราะเป็นการละสมัยที่กดคนดียกย่องคนชั่วนับว่าเป็นการละวิบัติอีกอย่างหนึ่งในการละสมัยที่มีการกดขี่เบียดเบียนกันจนถึงทาสงครามกันดังเช่นสงครามโลกที่เราแล้วมา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 มิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไปคมขู่ถือเอาทรัพย์ต่างๆของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพละการแต่ก็ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าวเพราะกลัวอำนาจปรุษผู้นั้นกำเริบยิ่งขึ้นถึงกับไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าตนมีอำนาจยิ่งกว่าตนจึงถูกจับไปเข้าเรือนจำและประกาศให้ประชาชนที่ถูกคมเหงร้องทุกข์กล่าวโทษจึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพัน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 อากุศลกรรมจึงไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อเมื่อถูกจับเข้าเรือนจําเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษเกิดขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเรื่องก็เท่ากับถึงการละวิบัติของตนสถานการณ์ต่างๆดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลงเข้าในคำว่าน้ำลดต่อผุดอากุศลกรรมที่ตนทำไว้จึงมีโอกาสให้ผลรวมความว่า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 การประกอบกรรมในปัจจุบันแต่กรรมย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพุทธภาษิตว่ากัลยานาการีกัลยานังทำดีได้ดีป่าปะการีจะป่าปะกังทำชั่วได้ชั่วกรรมเวรฝากไว้ก่อนเถอะรอให้ถึงทีเราบ้าง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 ยังห้าไม่ให้บุตรหลานของตนผูกมิตรกันอีกด้วยถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรูมิใช่แต่ต้องร้ายแรงจึงเรียกว่าเวนถึงรายย่อยๆดังการตอบโต้กันในวงด่าวงชกต่อยก็เรียกว่าเวนเช่นในกอด่าในขอชกต่อยในขอก่อนในขอก็ด่าตอบชกต่อยตอบแล้วต่างก็ดา่าและต่างก็ชกต่อยกันอุตลุด บางทีวงวิวาทขยายออกไปคือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี้ยพล้ำก็ไปบอกพักพวกร่วมคณะร่วมโรงเรียนให้พลอยโกรธและยกพวกไปชกต่อยต่อสู้กันขยายเวรออกไปบางรายเด็กทะเลาะ ก, กันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้ากับเด็กที่เป็นบุตรหลานของตนก็ออกต่อว่าต่อปากต่อคำวิวาธกันเวรวงเล็กก็ขยายออกเป็นเวรวงใหญ่เรื่องเล็ก กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทะเลาะวิวาทกันสายใหญ่ๆมิใช่น้อยที่เกิดจากมูลเหตุที่เล็กนิดเดียวดังนี้ทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้เกิดสงครามกลางเมืองวงเวนในระหว่างบุคคลที่เกิดความเสียหายในวงแคบส่วนวงเวนในระหว่างหมูคนะ่คณะให้เกิดความเสียหายในวงกว้างออกไปยิ่งวงเวรในระหว่างประเทศชาต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 แต่ถ้าบุคคลที่สองนั้นไม่ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความเกิดเป็นเวรขึ้นจึงเพราะบุคคลที่สองเป็นสำคัญเห็นอย่างง่ายๆในเรื่องเวรสามันเมื่อมีใครมาทำความล่วงเกินอะไรเล็กๆน้อยๆต่อเราเมื่อเราไม่ผูกอาคาตเขาแล้วเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรู ก, กันคือไม่เกิดเป็นเวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียงเวนระ ง, งับเพราะบุคคลที่สองไม่ผูกอาคาตดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยความว่าส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักของของเราเวนของชนเหล่านั้นย่อมสงบระ ง, งับเวนไม่ระ ง, งับด้วยเวนในการไหนไหนเลย ่ย่อมระ ง, งับลงด้วยความไม่ผูกเวรดังนี้น่าคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่สองเป็นผู้ที่นาติมากกว่าบุคคลที่หนึ่งเพราะทำให้เป็นเวรขึ้นในเรื่องเวรเป็นความจริงอย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเป็นความกันในโรงสารเมื่อมีใครเป็นโจดฟ้องใครเป็นจําเลยขึ้นจึงเกิดเป็นความ คดีถึงที่สุดหรือโจทถอนฟ้องเสือมาใดความก็ระ ง, งับมือ น, นั้นแต่ถ้าจำเลยไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทเมื่อกล่าวโดยปกติมิใช่แกล้งกันแล้วโจทก็คงไม่ฟ้องฉันใดก็ดีบุคคลที่หนึ่งนั่นเองเป็นมูลเหตุของเวนเพราะเป็นตัวก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน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 เช่นการฆ่าสัตว์ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่งผู้ถูกฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวรคู่ภัยกันการลักทรัพย์ก็มีผู้ลักฝ่ายหนึ่งผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่เวรคู่ภัยกันดังนี้เป็นตัวอย่างกล่าวโดยรวบรัดเวรเกิดจากกรรมที่ก่อความเสียหายให้แก่ใครๆนั่นเองผลของกรรมได้แสดงแล้วว่าผลดีต่างๆเกิดเพราะกรรมดี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 และผูกกันไปไม่สิ้นสุดในหมู่มนุษยยาบางชาติบางเหล่าก็คล้ายๆกันอย่างนั้นนิทานเรื่องระ ง, งับเวรท่านเล่าเป็นเรื่องสอนให้ระ ง, งับเวรดังจะเล่าโดยย่อต่อไป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 ซึ่งเป็นนครของราชสัตรูฝ่ายพระเจ้าพุมทัตก็ทรงยกทัพเข้าครอบครองแคว้นโกศลต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีตทิทรงพระขนเกิดอาการแพ้พระขนด้วยทรงอยาก้อดพระเนตรกองทัพประกอบด้วยองค์สีกองช้างกองมา้ากองรถและกองราบในเวลาอาทิตขึ้นและอยากจะทรงดื่มน้ำล้างพระขนจึงกราบทูลพระราชสวามี พระเจ้าทีคีติพระราชสวามีได้ตรัสห้ามพระนามก็ตรัสยืนยันว่าถ้าไม่ส่งได้ก็จกสิ้นพระชนครั้งนั้นพราหมุโรหิตของพระเจ้าพรมทัตเป็นพระสาหของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติจึงเสด็จไปหาตรัสเล่าความให้ฟังฝ่ายพราหมปุโรหิตก็ขอไปเฝ้าพระเทวีก่อนพระเจ้าทีขีติส่งนาไปยังบ้านที่พักอาศัย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 ขอให้ทรงจัดกองทัพสี่เหล่าให้ยกออกตั้งขบวนในสนามเวลารุ่งอรุณวันพรุ่งนี้และให้ล้างพระขันพระเจ้าพรมทัตรทรงอำหนวยตามพระมเหสีพระเจ้าทีคีติจึงได้ทอดพระเนตรกองทัพและได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขันสมอาการที่ทรงแพ้พระขันต่อมาได้ประสูตรพระโอรสตั้งพระนามว่าทีคาวุ เมื่อทีขาวุกุมานเติบโตขึ้นพระเจ้าทีกิติทรงส่งออกไปให้ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่ภายนอพระอาคารเพราะส่งเกรงว่าถ้าพระเจ้าปรมทัศน์ทรงทราบก็จะปลงพระชนเสียทั้งสามพระองค์ต่อมาในช่างกระบกคือช่างตัดผมของพระเจ้าทีกิติซึ่งมาอาศัยอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรมทัศน์ได้เห็นพระเจ้าทีกิติที่ชานพระนครก็จาได้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 ในขณะที่เขานำพระเจ้าทีคีติกับพระมเหสีตระเวนไปรอบพระนคร น, นั้นทีคาวุกูมาได้ระลึกถึงพระราชมาดาบิดาจึงเข้ามาเพื่อจะเยี่ยมก็ได้เห็นพระราชมาดาบิดากำลังถูกพันธนาการเขากำลังนำตระเวนไปอยู่จึงตรงเข้าไปหาฝ่ายพระเจ้าทีคีติทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสกาลังมาแต่ไกลก็ตรัสขึ้นว่าพ่อทีคาวุ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 ทรงกันแสงกล้ามครวรจนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพาราณสีไปสู่โรงช้างหลวงฝากพระองค์เป็นสิทธิ์นายหัตถาจารย์ในเวลาใกล้รุ่งทีขาวุกุมานมักตื่นบรรทมขึ้นทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะและดีดพินพระเจ้าปรุมทัตได้ทรงสดับเสียงรับสั่งถามทรงทราบแล้วตรัสให้หาทีขาวุกุมารเข้าเฝ้า ครั้ทอดพระเนตรเห็นทีขาวุกุมานก็โปรโดให้เป็นมหาดเล็กในพระองค์ทีฆาวุกุมานได้ตั้งหัยปฏิบัติพระเจ้าปรุมทัตเป็นที่โปรโดปรานมากในเม่ช้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจำในตำแหน่งเป็นที่วางพระราชาลุทไทในภายในวันหนึ่งพระเจ้าพรุมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อทีฆาวุกุมานเป็นนายสารถีรถพระที่นั่งได้นำรถพระที่นั่ง แยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ครั้นไปไกลมากแล้วพระเจ้าพระมทัตทรงเหน็ดเหนื่อยมีพระราชประสงค์จะบรรทมพักจึงโปรดให้หยุดรถแล้วทรงบันทมหนุนบนเพลือคือหน้าตักของทีขาวุอยู่ครู่เดียวก็บันทมหลับทีขาวุคิดถึงเวรขึ้นว่าพระเจ้าพรมทัตนี้ได้ทรงประกอบกรรมก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมาก จนถึงปรงพระชนพระราชมารดาบิดาของตนบัดนี้ถึงเวลาสิ้นเวรกันเสถียีจึงชักพระขันขึ้นจากฝักในขณะนั้นพระราชดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหัไทยของทีคาวุกุมารเตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดคำของพระราชบิดาจึงสอดพระขันเข้าฝักครั้นแล้วความคิดที่เป็นเวรก็ผุดขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สอง ที่ขาวุกุมารก็ชักพระขันขึ้นจากฝักแต่เมื่อระลึกถึงพระราชดำรัสของพระราชบิดาก็สอดพระขันเก็บอีกในครั้งที่สามก็เหมือนกันที่ขาวุกุมารชักพระขันขึ้นแล้วด้วยเวรจิตแล้ก็สอดพระขันเก็บด้วยอำนาจพระราชดำรัสของพระราชบิดาในขณะนั้นพระเจ้าโรมทัทรงสะดุง้งเสด็จลุกขึ้นโดยฉับพลันมีพระอาการตกพระทัยกลัว ที่คาวุกูมาจึงกราบบังคมทูลถามจึงรับสั่งเล่าว่าทรงพระสุบินเห็นที่คาวุกูมานโอรสพระเจ้าทีคีติแห่งพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขันทันได้นั้นที่คาวุกูมานก็จะประเสียนของพระเจ้าพรมทัตด้วยหัดซ้ายจากพระขันออกด้วยพระหัสขวาทูลว่าเรานี่แหละคือที่คาวุกุมานโอรสของพระเจ้าทีคีติ ซึ่งพระองค์ได้ทำความทุกข์ยากให้อย่างมากมายจนถึงปรงพระชนพระราชมารดาบิดาของเราวันนี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้สิ้นเวนการเส้อถีพระเจ้าปรุมทัตจึงมอบลงคอชีวิตข้าพระองค์อาจจะทวาชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรพระองค์นั่นเองพึงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์พ่อตีคาวุถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้า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 แล้วส่งหันไปตรัสขอให้ทีคาวุกุมานอธิบายพระดำรัสของพระราชบิดาในเวลาที่จะเส้นพระชนทีคาวุกุมานจึงกราบทูลอธิบายว่าคําว่าอย่าเห็นยาวคืออย่าได้ทำเวรให้ยาวคําว่าอย่าเห็นสั้นคืออย่าด่วนแตกกับมิรคาว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระ ง, งับด้วยความไม่ผูกเวร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 และข้าพระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้วเวร น, นั้นจึงเป็นอันระ ง, งับลงด้วยความไม่ผูกเวรพระเจ้าพรหมทัตตรัสสรรเสริญแล้วพระราชทานคืนราชสมบัติของพระเจ้าทีคีติและได้พระราชทานทิดาแก่ทีคาวุกุมานเรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยา น, นวงศ์ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นคำฉันไว้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 ไม่ตีความพุทธวจนะผิดไม่หลงโลกไม่ทุกใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนเกิดได้เพราะมีปัญญาอันเป็นสัมมาทิฐิการทําบุญด้านให้ปัญญาในทางที่ถูกจึงส่งเสริมมีอา น, นิสงส์มีผลต่อเส้นทางชีวิตของแต่ละคนอย่างประมาณไม่ได้นะครับจึงมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมะแท้ที่ทําให้รู้เห็นตามเป็นจริง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 คุณระพีวัตรดำคลองตันคุณจันทิมาทองสีมาคุณปียาณ่าสุวิศักดานนท์คุณสุภาพรเทียมบุญประเสริฐครอบครัวบุบลิสครอบครัวเจริญวรัสชยาครอบครัวโทสกุลครอบครัวธนลือ ค, คุณตงพรดวงสารเพื่อความเหมาะสมและไม่เป็นการรบกวนผู้ฟังทั่วไปเกินไปจะอ่านชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทําสิ่งอันหนังสือให้ร่วมอนุโมทนาแค่ประมาณสิบรายชื่อเท่านั้นนะครับดูรายชื่อทั้งหมดได้จาก Facebook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 อริยคุณพุทธธรรมโจโชเสียงธรรมชมรมผลดีกุมภาพันธุ์พุทธศักราช2564